เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะดีเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎของกรรมเรื่องไตรลักษณ์เรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทและทุกคนเชื่อสนิทว่าผู้ที่มาเข้าท่งนี้เป็นหลวงพ่อสมเด็จจริงๆซึ่งบุคคลเหล่านี้แม้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีความเชื่อและความเข้าใจไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีอยู่หลายคนในกลุ่มนี้ที่มีความทราบซึ้งในคําสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเดิม